ธรรมชาดกแผ่นที่11ดลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงทําในวันที่28ทธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าสิงคารมนบเคารบหกทิศต่ตอนนี้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะมีอะไรจะเล่าเล่ า, ลาือพูด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 ประเดประดังเข้ามากันล้วนแล้วแต่เป็นงานมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลสําหรับพวกเรางานของพวกเราต่อนี้ไปเมื่อพระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็จะฉันพัาหารเมื่อฉันพัาหารเสร็จเรียบร้อยกับสัต ท, ท, ทายญาติโยก็รับทานอาหารนะขณะที่พระสงฆ์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 หลวงพ่อเคณะสงฆ์จะสวดพาสวดอิติปิโสเก้าจบนะทำไมจึงสวดเก้าจบเพราะว่ามรซี 4, ผลซีจะเป็น8ปดนิพพานหนึ่ง เ, เพราะนั้นเราจึงสวดเก้าจบเพื่อบูชาพระคุณออขององค์หลวงตาของพวกเราเมื่อสวดอิติปิโสจบเก้าจบแล้วแล้วก็จะมีการเททองแล้วกัพระสงฆ์จะสวดชัยมงคลคาถา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 ติดแอ ร, รอ์หรือว่าจะให้เป็นสําหรับห้องปฏิบัติธรรมหลวงพ่อว่าก็จะดีนะเพราะว่าหลวงพ่อเองนะมาอยู่ที่นี่มาหลายครั้งนะไม่เคยขึ้นไปข้างบนนะแต่เมื่อวานได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเจดีก็พระสงฆ์ก็เลยนิมนต์ขึ้นไปไประชุมกันอยู่ที่ห้องนะหลวงพ่อจึงไปเห็นโอ้ห้องนี้เนะหมาะนะเหมาะสําหรับลูกหลานที่ผู้สนใจใฝ่ในการภาวนาปฏิบัติ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 ที่มันขาดตกบบกพ่องแล้วปีต่อไปเราจะปฏิบัติ <c oughs> ดำเนินชีวิตของเราอย่างไรอย่างนี้แหละอันนี้ก็อยากจะกล่าวต้้าย้ำเตือนให้คณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมทุกทุกท่านให้นึกย้อนดูหลังของตนเองห้าว่าการที่ปีที่แล้ว เ, เป็นอย่างไรเราควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็คือ พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อได้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเมื่อไม่นานก่อนลงมาหลวงพ่อคอยอ อ, อย่างหลวงปู่คำดีนะลงลงตามหาบัวท่านยกนะท่านยกว่าหลวงปู่คำดีตะกรอนเป็นคนโมโหโกรธคล้ายๆก็ไม่พอใจอะไรดินด่ดาว่าเก่าวแต่วันหนึ่งท่านได้ผ้าขาวมาท่านก็ตัดตัดผ้าขาวให้สัมมเนน เป็นคนเย็บใครจะเย็บตัดผ้าแต่เนี่พอสมบันเย็บเย็บมันเย็บผิดเหมือนกันนะพอเย็บผิดที่ได้ลงปู่คําดีที่เป็นอาจารย์เหตุผ้ามันเย็บยังไงมันเย็บผ้านี่มันทําไมไม่ถามหมู่พวกเพื่อนนะ่ยลักษณะฉุนเฉียวนะท่านก็ฉีกผ้าต่อหน้าสมบันะที่มันเย็บผิดสมบันพอเห็นอาจารย์ทำเหมือนก็บร้องไ ห, ห, ห้ต่อหน้าพอต่อล้อไห้ต่อหน้า ท่านลบกปูค่คาดีท่านวอาโอ้เราได้เกินไปเส็ยแล้วไม่น่าจะทำอย่างนี้ตอนน่อไปเราจะไม่ให้เกิดอย่างนี้เกิดขึ้นอีกกับเราเราจะต้องใช้น้ำน้ำใจแล้วว่าเขาต้องมองดูน้ำใจของคนอื่นเขาเราจะไม่ทำอีกจากนั้นท่านก็ปรับปรุงตัวของท่านเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นคนละคนนะอันนี้หลวงตามหาบัวท่านพูดนะ อันนี้พวกเราก็เหมือนกันนะคณาสทาญาติโยมทุกหมู่เหล่าใครก็ตามท่านผู้ใดก็ตามนี่มีนิสัยโมโหโกรธาแต่บัดมองดูแล้วมันไม่ดีวะมันเสียหายไง เ, เราก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขเหมือนกับหลวงปู่คําดีประพาโธที่จังหวัดเลยเนั่นแหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายว่ามองดูข้างหลังเป็นยังไง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 ได้นำผู้สูงอายุมาเปลี่ยนบรรยากาศและก็พร้อมกันพาปู่ย่าตายายมาตักบาตรทาบุญหลวงพ่อเห็นแล้วก็เออเป็นแนวทางที่ดีพวกลูกหลานทั้งหลายให้ความสำคัญให้ความเคารพในพระคุณหรือว่าบุภัการีบุคคลผู้มีอุปกา ร, ระก่อนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราเออนี่แหละอันนี้หลวงพ่ออยากจะเน้นย้าเรื่อง เทศทั้ง6ความเป็นมาของทิศทั้งหกเนี่ยคือพวกเราให้ปฏิบัติถูกต้องต่อทิศทั้งหมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติต่อททศทั้งหขาดตกบกพร่องพวกเรามีโอกาสที่จะถึงความหายชนะคือความจิบหายในการดำรงชีวิตของพวกเราอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าการพระสงฆ์ ที่อยู่เบื้องในข้างในที่ผู้ตัดกิตัดทางโลกออกมาแล้วเป็นนักทอดนักบวชท่านก็สอนว่าให้ภาวนาอย่างนี้ให้มีอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายอย่ามาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ก็คือท่านสอนพระสงฆ์แต่สําหรับครวาวาสญาติโยมทั้งหลายที่ดารงคราวาสจะให้ทําอย่างพระสงฆ์คงไม่ได้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 พ่อพบพระเจ้าท่านมองเมือกระจอเรดาสายไปรอบๆเห็นสิงค์าลมานบอยู่ในข่ายมาเข้ามาในข่ายพระองค์เอเรื่องอะไรพระองค์ก็รู้ว่าโอ้สิงค์าลมานพเนี่เป็นเด็กดีเป็นคนดีแต่ว่าเป็นลูกของเศรษฐีในกรุงราชสกุลพอเป็นหนุ่มขึ้นมาผู้พ่อก็เห็นว่าที่จะรำลงเรื่องบริหาร ห้างร้านหรือว่าบริหารากิจการของตนเองได้คือส่งลูกชายคนนี้ไปเรียนเมืองตะกะซีลาเมืองตะกะซีลาเนี่เป็นเมืองอวิชาสมัยก่อนเก่านะคือทุกวันนี้ก็คือเมืองทาริบันนะคณ ะ, ะสัตยาญาติโยมที่หลวงพ่อซีบสอบด้ ว, ว่าเมืองตะกะซีลาเก่าเนี่ยคือเดี๋ยวนี้คือเมืองทาริบันเนี่ยแต่ี่ขั้นก็ส่งไปเรียนนําไปเรียนกับทิศปะโมกอาจารย์พอเรียนจบ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 ขอให้โลกช่วยช่วยให้โลกดูกิจการงานของกิจครอบครัวของเราเนอะแล้วก็ให้ดูสังเสียถ้าสังเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อก็สั่งว่าโลกผู้ที่จะบริหารจัดการไปด้วยดีเนี่ยต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพสักการะทิศ ท, ทั้ง6 เคารพเคาะคารวะอ่อนน้อมอกราบไหว้ทิศทั้งหกนะจึงจะเป็นผู้เจริญในหน้าที่การงานถ้าว่าไม่เคารพคารวะอ่อนน้อมต่อทิศทั้งหแล้วจะหาความเจริญไม่ได้นะลูกนะอันนี้ขอพ่อขอสั่งไม่มีอะไรที่จะพูดมากกว่านี้เพราะว่าพ่ อ, องคงไม่นานแล้วเพราะว่าท่า น, นพ่ อ, องคงจะอัดอั้นตันใจไม่นานพ่อก็เลยได้จากไปมรณะลงไป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 สิงคารมานพกําลังยกมือไหว้ประหลกหน้าประหลกหลัง เ, เพราะว่าท่านแสดงความครบรอในทิศทั้งหพระองค์บอกว่าสิงคารมานพกุมารมานพ เ, เธอทําอะไรมานพบอกว่าข้าพระพุทธเจ้านอบน้อมกราบไหว้คารวะทิศทั้งหพระเจ้าขา่าพระองค์บอกว่าใครเป็นคนแนะนําสอนท่านบิดาของข้าของข้าพระองค์ครับผ ม, พผมเพราะบิดาก่อนที่ท่านจะจากไปท่าน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 เราจะสอนให้เราจะแนะนำบอกกล่าวให้ฟังสิงขาลมานพเป็นผู้ไฝ่ในการศึกษาอยู่แล้วเป็นเด็กดีอยู่แล้วเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วไฝ่ในการศึกษาอยู่แล้วครับผมยิน ด, ดีกับผมจ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะศึกษาพระองค์บอกว่าสิงขาลมานพบัณดินักปราชญ์เขาสอนกันในอดีตยาวนานมาเขาบอกว่าเทิศเบื้องหน้า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 พูดคนเราเกิดมาก็ต้องมีครูมีอาจารย์อย่างพ่อแม่ก็เป็นบุพพาจารย์เป็นอาจารย์ของบุ ท, ที่ลาทดาแนะนําสัมสอนก่อนใครอื่นทั้งหมดแนะนําลูกของตอนเองอันนี้ถือว่าบุพพาอาจารย์จากนั้นกระทรวงเข้าโรงเรียน อ, อนุบาลประชาบ้านมัธยมปถมปริญา ต, ตรีโทเอกจากนั้นก็สอนวิชาอาชีพให้อันนี้ล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ ทั้งหมดเราจะศึกษาเรื่องอะไรอย่างพวกพระสงฆ์งนี่ก็ไปมาศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยและวิชายอย่างอื่นก็มีต่้งอีกเยอะแยะล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ให้ความเคารพในครูบาอาจารย์อันนี้คือเทศเบื้องขวาอาจารย์เทศเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราก็ต้องมีหมู่มีเพื่อนมีพักมีพวกปีกกรยานามิตรอย่าไปครอบคนเลวถ้าครอบผมเรียนออกปาปามิตร ถ้าครบคนดีแลหว่ากันระยะ น, น้ำมิดให้ครบคนดีอันนี้คือทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราต้องมีหมู่มีเพื่อนมีมิตรมีสหายที่ดีจึงจะเจริญในหน้าที่การงานได้อันนี้ก็คือทิศเบื้องซ้ายมิดทิศเบื้องต่าคือลูกน้องบริวารคนใช้คนงานคนรับใช้ลูกน้องของเราเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเขาตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเขามีความเดือดร้อนเรื่องอะไร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 เมื่อหายใจเข้าหายใจออกจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งนิ่งนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเนะ่ยเป็นคนละอันกันนะหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบพวกพวกเราใช้รถมาเย็นนี่แล้วราก็าาต้องใช้รถหลวงพ่อบอกว่าร่างกายเหมือนกับรถนะลูกหลานนะการณ์ัตย์ทาญาติโยมแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถนะรถกับคนขับรถนะรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับ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 จากนั้นก็อจะมีการเททององค์หลวงตาพวกพวกเราจะได้หล่อหลอมจิตใจสิทธิอนุสิตของพวกท่านให้เป็นหนึ่งเดียวนะในการสวดทิฏิปิโสจากนั้นเราก็จะได้หล่อองค์หลวงตาเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลพวกเราจะได้กราบไหว้ลูกเหมือนของหลวงตานานเท่านานนะต่อนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรในทะั น, นีนะ